นาโม ต, าตาัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตะตา้ะตาพุทธังสะระณังขะชามิ พุทธังสรนังคชามิธรรมังสรนังคชาิธรรมังสารนงคชาิสังังสารนังคชามิสังขังสารนังคชามิดุติยามีพุทธังสารนังคชามิทุติยามีพุทธังสารนังคชาณิดุติยามีธรรมังสารนังคชามิทุติยามีธรรมังสรนังคชาิดุติยามีสร้างขังสารนังคชามิ ตติยามตีสังขางสรนางคัจฉามิตาตียามปีพุทธทางสรนางกัจฉามิตาตยามปีพุทธทางสรนางกัจฉามิตาตียามปีธรรมังสรนางกัจฉามิตาตยามปีธรรมังสรนางกัจฉามิตาตียมปีสังขังสรนางกัจฉามิติสระนากรกมังนิทิตังอามาพันเต ปนาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะดังสมาธียามิปนาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธียามิอธินนาธานาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอธินาธานาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธียามิ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 สุราเมรยะภรณ์ธรมะฐานาเวรมีสิกขาปัตังสมาธิา um ิอิมานิปัญชาสิกขาปานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพปสัมปตาสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยาธรรมาชโลกาทิปติสามปติกตัญชลีอธิวรางอายาจธาอิทะสตาปราชคชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปาชางะชังเจริญพรพวกเราแยกจบความจริงตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ออกรับนิมนต์แสดงทมที่ไหนนี้ท่านผู้ว่ารู้จักกันมาหลายสิบปีนะท่านประชาไปนิมนต์ทั้งที่เราอยู่ในพื้นที่นี้ไม่อื้อื้อก็หน้าเกลียดไปหน่อยก็เลยต้องมานะ ฟังธรรมต้องทำใจให้สบายนะอย่าเครียดธรรมะเป็นเรื่องที่เมื่อได้รับฟังแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีความสุขนี่พวกเราหลายคนพอเริ่มภาวนายังไม่ทันจะภาวนาจริงจังก็เครียดซะก่อนแล้วนะย่านี้นใช้ไม่ได้จริงาการปฏิบัติธรรมจริงๆต้องไม่เครียดองนั้นทำใจให้สบายๆนั่งให้สบายนะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งไหนก็ได้จะนั่งอย่างโลวงพ่อคุณหลวงพ่อก็ไม่ว่านะ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 งวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดถึงเรื่องสมถากับวิปัสสนาให้ฟังนะกําหนดเวลาไว้เยอะเลอเกินนะปกติหลวงพ่อเทศไม่นานหรอกนะงั้นต้องหาเรื่องยืย้อๆหน่อยสมถานะคือคือเรามีวัตถุประสงค์เราต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ตรงนี้สมถานี้เราทําไปเพื่อให้ใจเราสงบให้ใจเราฟุ้งซ่า น, นีกยให้มันสงบซนะพอใจเราสงบมันก็มีความสุข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 อันไหนเป็นของเรานะแล้วก็เรายึดถือมากนะนั้นก็นำความทุกข์มาให้มากเนี่ยทำไมเราไปยึดถือเราไปคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษวิปัสสนาเนี่ยจะมาทาให้เราเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษนะวิธีทำวิปัสสนาเนี่ยมันมีเครื่องมืออยู่สองตัวตามทันไหมเนี่ยสลบไปยยัง <c oughs> อ้หลวงพ่อให้ผ่อนคลายเล็กน้อยหลวงพ่อจะฉันน้า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 ถ้าให้จ่ายเงินซื้อมรกผลธิพานน่นคงยอมทําง่ายกว่านะกว่กกระเป๋าจ่ายง่ายกว่าวันนี้ได้ใส่บาทแล้วมีความสุขแล้วถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ไม่พ้นทุกหลบมีคํำทานถือศีลเรื่องดีทั้งนั้นควรทำนะแต่ว่าต้องเรียนนะจนเราสามารถเจริญวิปัสสนาได้การเจริญวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่เรื่องยากไนะม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนเลย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 เวลากินข้าวเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกกานกลืนอาหารนึกออกไหมเอาสิกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่ <c oughs> เวลากินข้าวหายใจเข้าไปลองดูนะอันนี้สำลักตายเลย <c oughs> <c oughs> เวลาพูดเราขยับขาข้าไกลบนหรือขาข้าไกลล่างหรือสองอัน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 ซินี้หลวงพ่อไม่ถามว่าถามซิกนีนะ้รู้สึกไหมใจลอยวันละกี่ครั้งหลวงพ่อตอบให้ใจลอยวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับแนะต่พวกนี้ใจลอยวั 100, 000, 000, 000, 000, 000. นหะนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเมนี้เคยสึกเจริญสตินะเนี่ยไอ้หนุ่มนะรู้สึกไหมไปมองเขาใจวิ่งไปอยู่ีกับเขาแล้วนะี่ใจเราวิ่งไปใจเราลอยไปแล้วลืมตัวเราเองตลอดเวลานละ้ว เ, เราเคยรู้สึกนะ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 ร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดิน <c ute> เดี๋ยนั่ง <c ute> เดี๋ยวนอนจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเ <c ute> ดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด <c ute> นี่คอยรู้อย่างนี้นะรู้ซ้ําแล้วซ้าอีกลงไปถึงวันหนึ่งปัญญายมันจะเกิดมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงกายนี้ก็ทําหน้าที่ของร่างกายไปไม่ใช่ตัวเรามันเป็็็นนนนนนนแค่่ววััตตถุุเเเเปปก้อาหมืย์ง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 จิตใจก็เหมือนกันนะเรารู้สึกไหมใจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์รู้สึกไหมเนะนี่ยเพราะเรายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจถถ้าเราเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนะจะรู้ว่าใจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนะมื่อไหร่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อนั้นจะไม่ยึดถือแล้วจะหมดความยึดถือเนะ่จะพ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละจะหมดความยึดถือแต่ถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างก็ยังยึดอยู่อีกนะปล่อยวางไม่ได้เนี่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยนะวันหนึ่งจะเห็นความจริงนี้แต่ทุกข์ ถ้าเห็นทุกเมื่อไรก็เห็นทำเมืะนั้นแหละใครฝึกเอานะ น, นิเพี้ยศแค่นี้พอละเทียนมากเีือวปวดหัวใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหมเป็นข้าราชการกั น, กน ห, รหรือว่าไม่ใช่เรียนกันมาทุกคนอยู่ถูกบังคับมาหรือ่ะล่าจรับเชิญนะวัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เชิญเลยต้องถามพวกนี้ดูต้องแย่งเงินไป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 นิสัยใจคอดีเปลี่ยนน่ะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เลยทําไมพฤติกรรมเปลี่ยนเพราะใจเราเปลี่ยนใจซึ่งเคยถูกกิเลสตัณหาครอบงําอยูอนะยย่เพราะขาดสติเนะมันสูญสลายไปพอเรามีสติขึ้นมากิเลสตัณหาทั้งหลายมันสลายตัวไปใจเราเป็นอิสระโปร่งร่องเบาขึ้นมาใจเป็นใจที่มีบุญมีกุศลก็ลจิตใจของเราเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายทางวาจามันก็เปลี่ยนไปนด้วย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 ในิจใจมันรู้สึกนะนี่เป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้ น, นความเศร้าโศกเสียใจนะันหายเป็นฝึปริศน์เลนะแล้วค่อยฝึกนะค่อยฝนะึกไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันดีขึ้นเองพอชีวิตของเราความรู้สึกนึกคิดของเราเปลีนนะ่ยนแปลงแล้วคนรับรับตัวเข้าสนใจนะตามมาดูที่วัดหลวงพ่อนี่เยอะมากเลยบางคนมาถามมาสังเกตนะมาฟังจะมาจับผิดหลวงพ่อก็เยอะนะมาดูมันทํำยังไงว่าพระองค์นี้เมียเราทําไมมันดูดีขึ้น สาวขึ้นสวยขึ้นอนะมีมีคนเคยไปให้สัมภาษณ์หนังสือแอลแล้วทําไงทำไงสวยชีวิตมีความสุขนยะมีอยู่รายหนึ่งบอกว่าีสสวยขึ้นมานะเพราะซีดีหลวงพ่อประโมท c ีดนะี CD หลวงพ่อประโมทเอาไปฟังนะแล้วจะสวยนะเอาไปฟังหนะ้าไม่ใช่เอาไปผสมครีมทานหน้านะ <c oughs> อย่างนั้นไม่สวยหรอกเกลียวยิ่งกว่าเก่าอีกนะ ที่ทำมาน่ยศึกษาแล้วจะมีความสุขค่อยๆศึกษาไปอ่ะขออย่างอ่าว่าไงเชิญเกี่ยวกับการดูจิตเกี่ยวกับการดูราคะของตัวเราเองนะครับหลังจากที่ผมปฏิบัติทำแล้วไม่ทราบว่ากับผมมีอะไรที่จะต้องแก้กคุณรู้สึก <ทำ S 2> ไหม <ๆ S 2> จิตใจของคุณไม่เหมือนเดิมรู้สึกครับรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบากว่าแต่ก่อนครับผม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 ยย่งกันจนกระทา่งฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะโกรธแ้นกันชอบเพื่อนส่งกันบ้านดีๆก็ อ, อิจฉากันน <c oughs> ้าว่าไปนมันการค่ะหลวงพ่อหนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่สาราลุงทีเมื่อเมื่อปีใหม่เมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็หลวงพ่อส่งหลวงพ่อบอกว่า เ, าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันว่างหลวงพ่อก็บอกว่าให้ก็รู้ความว่างมันไปหลังจากนั้นหนูก็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 ดูแต่งที่หลอกลวงเรานะเรารู้สภาวะอันนี้แล้วมันก็หลอกเราไม่ได้กิเลสมันก็สร้างสภาวะใหม่ๆที่มันหลอกเราอีกเราก็ต้องคอยรู้ทันไปด้วยในสุดไม่มีอะไรหลอกใครได้ง่ายจริงง่ายนะ้ําไปยากอะไรหรอกสลวพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเมื่อปีสองห้าเอาเล่าพวงสวัาดีหน่อยก็ได้พวกนี้ไม่รู้จักหนหลวงพ่อตันเด็กๆเจ็เดขวบ พ่อพาไปวัดอโศการามไปหาท่านพ่อหลีวัดอโการามก็ไปเรียนท่านพ่อหลีท่านสอนนาฬิกานับสติสอนให้หายใจหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทนับหนึ่งฟูดโทนับสองนับไปเรื่อยถึงสิบแล้วก็ลดลงมานับเก้าแปดเจ็ดหกห้าเราเด็กๆนั้นนับเลขไม่ชานาญรู้สึกลําบากจังแล้วก็นับใหม่นับหนึ่งถึงร้อยเลยทีนี้รู้สึกดีว่านับถอยขึ้นถอยลงอย่างเด็กเล็กๆ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 สิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนก็เหมือนกันทั้งมันก็ต้องมีสตนะิรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละอาจามหาบัวเคยสอนหลวงพ่อกับการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแล้วสอนเท่านี้นะบางองค์ท่านก็บอกให้ดูจิตบอกมีเท่านี้แหละดูไปเนละยค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจิตใจเราก็พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น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 เนี่ยเด็กมันรู้จิตพ่อหมือนกะันนะหรือพ่อหลงไปละเนี่ยไปที่วัดหลงพ่อสินะเราไปฟังเด็กๆส่งกันบ้านน่าฟังกว่าผู้ใหญ่ส่งนะผู้ใหญ่บางทีไปแต่งขึ้นมาบางครแต่งหน้าวัดข้าวัดอยู่แล้วพ้องแต่งจะส่งอะไรดีเผื่อหลวงพ่อถามหรืออ้าว่าไปมีอีกไหมหลงพ่อใครแล้วหนูต้องปรับปรุงอะไรมากไหมคะ <c oughs> จะต้องปรับอะไรล่ะแล้วคอยรู้ทันกิเลส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 มีสติก็มีสีมีสติก็มีสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆกนะ็เหนะ็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญางั้นสีสมาธิปัญญาเราได้มาเพราะมีสตินี่แหละสติสำคัญนะสติสำคัญคนในโลกนี้ขาดสตินะลืมตัวทั้งวันใจลอยทั้งวันรนะู้สึกไหมใจลอยกันเป็นแถวๆแล้วนีไิคิดเวลาใจลอยไม่มีอะไรหรอกนีไปคิดนะคิดต่อดีตคิดไปอนาคตคิดไปโน่นไปนี่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 นี่ก็มาถ่ายทอดด้วยเลยต้องพูดเรียบร้อยหน่อยใครรู้สึกนะรู้สึกอีกไหมอีกไหมพวกนี้ไม่ต้องแล้วพวกนี้หน้าซ้ำๆการรับการหลวงพ่อฮะอย่างเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบนะฮะเราก็ตามรู้ตามดูนะฮะแล้วก็บางทีเท่าจิตมันไม่ตั้งมั่น่เงี้ยเราเราเห็นแต่ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเี้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 ออ่มันไม่ใช่เห็นทุกข์หรอกมันเพลินเลินเลแต่ละวันมันเพลินเพลิมีความสุขแล้วเพลินเพินให้รู้ทันตรงที่ใจชอบความสุขหให้รู้ทันลงไปในใจมันชอบแต่เรารู้ทันใจที่ชอบความสุขแล้วความชอบดับไปความสุขก็สแสดงใล ร, รักขึ้นมาอืมีก็มีไม่มีก็ไม่มีเรื่องของมันจะเห็นเองแล้แล้วก็นั่งสมาธิอิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆคะนั่นงให้หลวงพ่อดูได้เลย อ๋อไม่เอาไม่เอาวันนี้เราห้ามไปนั่งให้ดูที่วัดเอามีใครเมื่อกี้เห็นยกมือหยืนข้างหลังจำงนมาตการหลวงพ่อค่ะที่ที่หนูปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรยถูกต้องนะต้องทําอะไรต่อไปไม่ต้องนะทำสม่ำเสมอทำาม่ำเสมนะเจ้าค่ะพี่สื่ออยู่ใช้ได้เห็นไหมกิเลสอะไรผ่านมาเราก็รู้ทันดูออกไหม เห็นไหมว่าความทุกข์มันลดลงลดลงตัวไหมค่ะเขาเบาเขาสบายมันเบาสบายเห็นไ้มใจมันโป่งขึ้นเรื่อยๆร่อเจค่ะเห็นไ้มใจมันว่องไว้ค่ะนี่เราดูว่าเราเป็นยังไงสามนมัพระารขอขอบคุณเจ้าคะง่ายตายแบบขอเรียนถามหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อนึกว่าจะเลิกนีเป็นโก้อตั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 มีสติแล้วก็ใครดูเอาขอ บ, บนับเทศการหลวงพ่อค่ะอยากให้อธิบายเวลานาดีทองเวลาจะตายอ่ะค่ะทำไมยังไม่ตายก็เรียนก่อนสินะ <c oughs> ไม่เคยอ่านหนังสือแล้วแบบนาทีทองเวลาจะตายอะค่ะมันอยู่ที่ว่าเราต้องฝึกก่อนตายโอ้ต้องฝึกอย่างเดียวใช่ต้องฝึกให้มีสติชํานาญเลยนะให้ใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูแล้วเวลาจะตายเราก็มีสติ นอนดูร่างกายมันตายไปจิตใจไม่กระสับกระสเรียกว่าตายอย่างตายอย่างที่ที่ไม่ต้องไปฝึกนะว่าตอนจะตายจะทำยังไงฝึกตอนอยังเป็นๆ <laughs> มันเหมือนอย่างเราจะมาหัดว่ายน้ำนะต้องหัดตั้งแต่ก่อนจะตกน้ำตกน้ำใกล้ต า, ตายแล้วมาหัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องหัดตั้งแต่หัดธรรมดานี่เลยในชีวิตธรรมดาไี้ฝึกไป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 รู้ว่าไม่ตายชักดีใจก็รู้อีกเลยเนี่รู้ผียิบขึ้นมาเองเป็นเองนะฝึกไว้เถอะมีบางคนนะเสพลดพลิกไปพริกมาสติมันเกิดหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเจ็บมากๆนะนอนดูไปด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบานเห็นร่างกายมันจะตายอะมันแยกกันเนั้นฝึกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะยังแข็งแรงอยู่นรีบฝึก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 ดูไปเฉยๆอย่าไปไล่มันเห็นไหมสองคำถามนู่นแต่เป็นเรื่องจะอยากแก้ทั้งนั้นเห็นไหมโกรธแล้วทําไงจะไม่โกรธกลัวแล้วทํายังไงจะไม่กลวักล ว, ลลวนิพพสนาจะไม่ใช่การแก้แนิพพสนาจะดูความจริงโกรธรู้ว่าโกรธกลัวรู้ว่ากลัวจะเห็นทั้งความโกรธเห็นทั้งความกลัวนั้นมันไม่เที่ยงเวลาเวลาหนูนั่งหนูไม่เคยสําเร็จเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งมันจะเมื่อยจะปวดสําเร็จอะไรอน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 นี่ข้างหน้าเขายกมืออยู่กลั บ, าบมาสการพระอาจารย์ค่ะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรียนะคะก็อยากจะเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างสมมติว่าเราทํางานเนี่ยเรามีสมาธิในการทํางานแล้วงานเราสําเร็จนันนั่นคือสติเกิดหรือเปล่าคะรย์นนมีสตินะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐาน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 ถ้าเราจงใจจะไปดูจิตเนะี่ยจะกลายเป็นการเพ่งจิตนั้นเบื้องต้นนะรู้ความรู้สึกไปได้ได้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงไปก็รู้นะรู้อย่างนี้ได้ได้เดี๋ยวมันเป็นเองอะ่ะยังไม่หมดเลยลายหรือเนี่ยคุณพ่อครับเวลาที่ทําในรูปแบบวะนะคะ แล้วสมมติเรารู้ลงหมายใจเนยแล้วพอเรารู้หรือว่าเราไปเพ่งแล้วอึดอัดเนไปรู้ทั้งตัวเลยกับแค่อึดอัดองี้ยอันไหนไม่อึดอัด ก, ก็เอันนั้นแหละเออันนั้น เ, เรา <c oughs> ทําให้หลวงพ่อดูได้ไหมรู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวหรือว่าเพ่งทั้งตัวอ <c oughs> ครับเออว่ า, วาเออเมื่ อ, อหลายอาทิตย์ก่อนไปปฏิบัติธรรมที่พิษณุโลกครับ <c oughs> เขาจะให้เน้นดูสติสามวันแล้วก็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 งงนะเดี๋ยวไปฟังซีดีของพ่อเพิ่มนะคนไหนเคยเรียนกนรรมฐานมาแล้วจะเรียนยากนิดหนึ่ ง, งของเก่ามาตีกับในนามของท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็เป็นรุ่นน้องของท่านนะฮะที่คนะด้วยหลวงพ่อเรยกว่ารุ่นพี่ <laughs> รุ่นย mm ี่สิบเ็ดก็ต้องขอับขอบพระคุณท่านไปนอย่างมากที่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 อิชิตังปะตังทุมังคิปะเมวาสมิเชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยัถามณิโชติระโสยัตถะสัพพิติโยวิวัชฉันโตสัพพโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาฒนาศนีลิสเนจังุทธาปัจายิโนจัตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง ฝลาง